กำลังเอาแท่กระทุงเข้าไปในลำกล้องไรเฟิพลพรานใหญ่เงยหน้าขึ้นอีกครั้งในทันทีนั้นจ้องหล่อนได้แววตาฉ ง, งนแล้วหัวเราะออกมาเบาๆขอฝากแง่ายเขาทวนคำใช่แปลกไม่คิดว่าจะได้ยินคุณหญิงกำชับผมอย่างนี้ความจริงคุณหญิงควรจะกำชับฝากผมเกี่ยวกับคุณชายยันฉันไม่จำเป็นจะต้องขอฝากชายยันกับคุณหรอก เพราะมันเป็นหน้าที่โดยตรงของคุณอยู่แล้วและฉันก็ไว้วางใจคุณเกี่ยวกับความปลอดภัยของชายยานทุกอย่างแต่สำหรับแง่ท า, ายมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณคุณอาจปล่อยเขาตามบุญตามกรรมก็ได้ในนาทีวิกฤตที่สุดเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทราบไว้ด้วยว่านี่เป็นคำขอร้องจากฉันดูแลคุ้มครองเขาไว้ด้วยถ้าจาเป็นคุณหญิงเคยบอกแง่ท า, ายหรือเปล่าว่าฝากรับินด้วย ไม่จําเป็นเลยที่ฉันจะต้องพูดกับเขาเช่นนั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยระหว่างคุณกับแง่ทรายถ้าฉันพูดกับเขาอย่างนั้นก็แปลว่าฉันเห็นว่าเขาเหนือกว่าคุณยิ่งกว่านั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วแง่ทรายก็ไม่มีวันทอดทิ้งคุณเป็นอันขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาก็หวังพึ่งคุณอยู่ในการร่วมเดินทางไปยังเทือกเขาพระศิวะข้างหน้าซึ่งคุณก็รู้ดีอยู่แล้วในข้อนี้พรานใหญ่หัวระเอื่อยๆในลาคออยู่เช่นนั้น ก้มลงชำระปืนตามเดิมโปรดอย่าวิตกไปเลยครับเจ้าแง่ายของคุณหญิงคนนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องน่าห่วงเลยสักนิดเดียวคนที่น่าเป็นห่วงในกรณีนี้มีออหลายคนนักคนแรกก็คือคุณชัยยันรองลงมาก็เซยเกิดและจันเป็นลำดับถ้าจะพูดกันตามจริงแล้วผมยอมรับว่ายังรู้สึกเป็นห่วงตัวเองเสียมากกว่าห่วงหมอนั่นเสียอีกหญิงสาวถอนใจ ฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณจะกินเหลี่ยมกินเชิงกับแง่ทรายอย่างไรบ้างแต่ก็อย่างที่บอกแล้วฉันขอฝากไว้กับคุณเพราะเห็นว่าคุณอาวุโสเหนือกว่าเขาในทุกด้านผมไม่ได้มีอะไรกินเหลี่ยมกินเชิงกับแง่ทรายตามที่คุณหญิงว่าเขาพูดโดยเร็วแววตาขึมลงจ้องร่อนนิ่งมาและเท่าที่แล้วมาผมก็ยอมรับรองให้ว่าแง่ทรายสำแดงความซื่อสัตย์จงรักภักดีกับคณะของคุณหญิงได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งผมพอใจแต่ยังไม่สามารถจะสนิทใจลงไปได้ก็เพราะผมไม่รู้แน่ว่าหมอเป็นใครมาจากไหนและเพื่ออะไรถึงได้มาร่วมกับเราคุณหญิงจะถือว่าความแครงใจของผมข้อนี้เป็นการกินเดีอยระวังระวังเชิงผมก็ยอมรับแง่สายชนะใจฝ่ายของคุณหญิงโดยราบคาบแล้วจากวีรกรรมและการเสรียสละอันเนื่องมาจากศพโอกาสด้ช่องเหมาะของหมอเข้าพดีแต่แง่สายยังไม่อาจชนะใจคนขี้ระแวงอย่างผมไปได้ ตราบเท่าที่หมอยังไม่ยอมพูดความจริงที่ซ่อนเร้นอยู่อย่าพูดถึงเรื่องอื่นเลยว่ากันถึงเรื่องนี้เถอะยังน้อยที่สุดก็เป็นการขอร้องจากฉันคุณจะไม่ให้สัญญารับปากพอให้ฉันสบายใจหน่อยเชียวหรืหล่อนกล่าวเสียงอ่อนมีกระแสะวิงวอนอยู่ในทีระพินยักไหลตามปกติแล้วกะมวลสันดานของผมทนมองเห็นใครได้รับอันตรายตามตาอยู่เบื้องหน้าไม่ได้หรอกครับถ้าหากว่าผมมีโอกาสจะช่วยเหลือได้ อดีตที่แล้วมาในสมัยหนึ่งทั้งทั้งที่ก็รู้ชัดอยู่ว่าเจ้าหมอนี่เป็นสายของโจรกระเรี่ยงตำรวจของผมจะยิงทิ้งผมยังป้องกันหมอไว้นับประสาอะไรกับการมาร่วมชีวิตกันในครั้งนี้ที่ผมจะปล่อยให้หมอได้รับภัยในระหว่างที่ผมอยู่ในฐานะจะช่วยได้ทําไมคุณถึงตอบไม่ตรงประเด็นคําถามของฉันจอมพรานถอนใจเฮือกผายมือออกไปผมรับปากครับพอใจหรื อ, อยัง หญิงสาวก้มศรีรษะลงก็แค่นี้เองฉันจะได้สบายใจเสียทีดูคุณหญิงเป็นห่วงกังวลอยู่กับหมอนี่เหลือเกินฉันยอมรับแง่ท า, ายเป็นเด็กดีในสายตาของฉันฉันเป็นห่วงเขารองลงมาจากชายยันในการจะติดตามไปกับคุณพรุ่งนี้จำไวไ้ด้วยว่าแง่ท า, ายคือน้องชายของฉันขอรับครับกระผมผมจะจาคาสั่งนี้ใส่ใจไว้เสมอ อย่าประชดประชานแดกดันอย่างนั้นสิคะแงระพินน้ำเสียงของรอนอ่อนโยนเอาใจที่ฉันพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเอาแง่ายขึ้นมาให้ท้ายเพื่อให้กระด้างกระเดื่องกำแหงอะไรกับคุณเลยแต่ต้องการให้คุณระลึกไว้เพียงแต่ว่ายามใดก็ตามที่คุณนึกหมั่นทรายไม่ชอบหน้าเขาขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลอันควรคุณก็อาจจะเว้นไว้เสียโดยเห็นแก่ชันบ้างเท่านั้นเอง พรานใหญ่หัวเราหอหึอหยิบบุหรี่ขึ้นมาคาบเอื้อมมือไปคว้าดุ้นฝืนในกองไฟขึ้นมาต่อแล้วระพินล่ะไม่ได้มีวาสนาได้รับการห่วงจากคุณหญิงดารินวราลิศบ้างเลยเชียหรึหล่อนยิ้มให้สันศีสะช้าช้าบอกตามตรงว่าไม่จนนิดเดียวถ้างา น, นคนที่ชื่อระพินก็ไม่ควรจะกลับมาให้เห็นหน้าอีกแล้วควรจะให้แหวงเหยียบเสียให้แบน หม่อมราชวงศ์สาวคนสวยคงสายหน้าอยู่เช่นนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีสัตว์ป่าตัวไหนพิชิตจอมพรานที่มีนามวารพินภัยวันได้มีแต่จะตกเป็นเหยื่อก็ไม่แน่นักอา น, นิจจังคือความไม่เที่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่มีกําลังใจเพราะไม่ได้รับความเป็นห่วงจากใครเลยถ้าผมไม่กลับมาให้คุณหญิงเห็นอีกก็ช่วยกรวดน้ําแผ่ส่วนกุศลไปให้บ้างก็แล้วกัน ดารินเอากิ่งไม้เล็กๆที่ถือเล่นอยู่ในมือคว้างมากระทบอกเขาคอนบ้าพูดอะไรไม่เป็นมงคลแช่งตัวเองถ้าคุณถึงชีวิตก็แปลว่าสูญเงินค่าจ้างทำนำทางสองแสนบาทไปเปล่าๆมิหนำซ้ำยังมีพันธะที่จะต้องออกเงินค่าเลี้ยงดูแม่คุณไปอีกจนตลอดชีวิตมันไม่เข้าทีนักหรอกพราพรานภัยถ้ากลัวว่าจะเสียเงินค่าจ้างฟรี ก็แผ่ความเป็นห่วงให้บ้างสิสักเท่าปลายก้อยก็ยังดีอีกฝ่ายบอกมาหน้าตาเฉยคู่อริสาวอันเป็นนายจ้างตวัดหางตาคอนอีกครั้งยิ้มครึ่งยิ้มครึ่งป้นปึงกระชากหางเสียงเบาๆห่วงเหมือนกันแหละแต่ห่วงเงินค่าจ้างเพราะฉะนั้นอย่าหนีตายไปเสียก่อนชื่นใจเหลือเกินหัวใจพองโตคับอกทีเดียวที่ได้สะดับ มัทุรสวาจาอันเป็นกำลังใจให้อยากจะชักตายไปเสียเดยนี้เรียวรถเจาเล่อย่างนี้เองผู้หญิงเขาถึงได้หักอกให้มาพูดให้ช้ำใจทำไมสมน้ำหน้าดีใจให้แก่เธอผู้นั้นด้วยที่ไม่เลือกแต่งงานกับคนขี้กวนโทโสเขาตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วไม่นึกว่าเป็นน้องสาวของคุณชายเชี่าที่ผมนับถือแล้วก็จะทาไม ูสั่งสอนเสียดูนี้แหละในพานคุณเก่งแต่เฉพาะในเรื่องสัตว์เท่านั้นไม่เก่งในเรื่องมนุษย์หรอกโดยเฉพาะมนุษย์ผู้หญิงท้าหรือระพินขยับตัวดารินรุกขึ้นยืนเต็มส่วนสัตว์สระผมที่ก้าวไว้รูกรวกรุด ก, ก, ก, ก, ก, กระจายสยายคืออะไราตาเป็นประกายมันระเรื่องริมฝีปากปรากฏ ร, รอยยิ้มเพลิดพลิหลอนไม่เอ่ยคาใดโดยวาจาทั้งสิน้นแต่ดวงตาคู่นั้นประกาศชัด แน่และมันเต็มไปด้วยอาการท้าทายกึ่งเยาะหยันตาจ้องกันนิ่งอึดใจใหญ่คิ้วงามข้างหนึ่งของรอนเลิกขึ้นน้อยๆจอมพรานถอนใจเฮือกเอนกายลงนอนหลังพิงเป้พูดต่ำๆพยายามทำน้ำเสียงให้เป็นปกติเกิดเป็นผู้หญิงอย่าริอ่านหมิ่นเชิงชายแม้จะถือว่าตนเองเป็นหญิงสูงสักเป็นดอกฟ้าราตีสวัสดีครับคุณหญิง กลับไปนอนซิเถอะผมจะหลับละพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางแต่เช้าขออภัยด้วยที่ผมพูดอะไรสามหาวไปเมื่อครู่นี้ปลดลืมเสียเถิดรู้ตัวเหมือนกันหรือว่าสามหาวเสียงเย็นนุ่มดังถามมาคนเราวเวลาลืมตัวมันอาจทำอะไรออกไปได้ทั้งนั้นแม้แต่ในสิ่งไม่สมควรสเทือนใจมากนักดิที่ฉันพูดถึงผู้หญิงคนนั้นระพินไม่ตอบ ดีดก้นบุหรี่ในมือทิ้งไปทางหนึ่งแล้วหลับตาลงเสียแต่แล้วก็ต้องลืมตาขึ้นอีกครั้งเมื่อรู้สึกว่าข้อมือข้างหนึ่งถูกมือนุ่มเย็นจับไว้หล่อนกําลังซุดตัวอยู่ใกล้ๆเขาจ้องอยู่ที่ข้อมือข้างนั้นด้วยอาการขมวดคิ้วมีแววช ง, งนระผินก้มลงมองดูข้อมือตนเองตามมันเป็นข้อมือข้างที่ถูกงูเหลือมกัดเอาเป็นแผลลึกขณะที่ต่อสู้เพื่อป้องกันหล่อนไว้ในวันที่หลงป่าอยู่ด้วยกันนั่นเอง ขณะนี้ยังถูกพันไว้ด้วยแถบบาเซียของหล่อนอยู่ในลักษณะเดิมดําขมุกขมอมหล่อนเป็นคนพันบาดแผลให้เขาในวันนั้นโดยสระบาเซียของตนเองเพราะหาผ้าสะอาดไม่ได้ต่างศบตากันอีกครั้งนี่นี่คุณยังไม่ได้เปลี่ยนผ้าพันแผลอีกหรือนี่ตั้งหลายวันมาแล้วเจ้าของบราเซียผู้ตะกุกตะกักหน้าเป็นสีชมพูและพินยิ้มแค้นๆกลุ่มตรงรอยที่พันไว้ มนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมไม่มีความเก่งอะไรจะแสดงต่อเธอได้เลย <buckets> เป็นคนอุทิศบาซีราคาหนึ่งพ้าบาทที่ติดอยู่กับตัวเธอมาเป็นผ้าพันแผลให้ด้วยมือของเธอเองราคามันสูงกว่าผ้าพันแผลชนิดอื่นๆมากนักผมก็เลยไม่อยากจะเปลี่ยนและตั้งใจไว้ว่าจะให้มันผูกติดข้อมือเช่นนี้ตลอดไปเพื่ออะไรกันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพื่ออะไรกัน คนเราบางขณะไม่มีเหตุผลจะให้ตัวเองได้เปลี่ยนผ้าใหม่ได้เสียทีแล้วมันสกปรกเต็มทีอยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะมาบังอาจเปลี่ยนผ้าผันแผลชิ้นนี้ได้ก็เจ้าของเดิมของมันคนนี้สิเสียงตอบแผ่วเบาพร้อมกันหล่อนก็แก้ปมอันเป็นสายอีรัสติกที่ผูกไว้ด้วยมือเองออกอย่างแช่มช้าระพินนั่งนิ่งมองดูอยู่เงียบๆเขาอยากจะขัดขือดึงมือกลับ แต่เหมือนมีอำนาจชนิดหนึ่งมายึดไว้ชั่วขณะงานไปดารินแกะแถบบาเซียที่พันไว้ออกและจับข้อมือข้างนั้นตรวจดูแผลปากแผลอันเกิดจากเขี้ยวของงูเรือมบตดนี้ชิดกันและแห้งสนิท ด, ดีแล้วกำลังจะตกสะเก็ดหล่อนถอนใจออกมาเบาๆอย่างโล่งอกขอบคุณสวรรค์มันจวนจะหายสนิทแล้วเจ็บใจสวรรค์ที่มันหายเร็วเกินไปแปลกนี่ทาไม อยากจะให้เก็บตัวไปนานๆงั้นเลยใช่โดยเฉพาะแผลนี้และผ้าผันแผล พ, พิเศษชิ้นนี้เพราะมันหายเร็วเกินไปผ้าพันแผลก็เลยถูกถอดเอาคืนไปด้วยอยากจะฆ่าทุกคนที่บังอาจมาแกะผ้าพันแผลชิ้นนี้ออกแต่ก็จนใจเพราะผู้แกะเป็นเจ้าของเดิมเองเสียดายนะักหรือเหมือนถูกปอกหัวใจออกดาลินก้มหน้าซ่อนเรนแววตา อึดใจเดียวก็สระดผมเงยขึ้นตามเดิมทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นปกติในสีหน้าของรอนดึงผ้าพันคออันเป็นแพรสีรุ้งที่พันรอบคออยู่ในขณะนี้ออกมาบรรจงพันให้ที่ข้อมือตรงบาดแผลเดิมของเขาผูกเงื่อนไวใ้ให้เป็นโบพันให้ใหม่แล้วสะอาดกว่าใหม่กว่าพอใจหรือยังราคาเท่าไหร่แพรสีรุ้งผืนนี้ราคาของไม่มีรอก มีแต่ราคาของน้ำใจพร้อมกันร่างระหงนั้นก็ยืนขึ้นขอให้โชคดีสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้ราตีสวัสด์จบคำพูดหม่อมระชวงหญิงดารินวราลิตก็ระออกเดินช้าๆใบหน้ากลับไปยังกระโจมระผิดมองตามร่างของหลอนไปจนรับตาแล้วทิ้งกายลงนอนหลับตาประสานมือทั้งสองวางไว้บนอกกลิ่นหอมจางๆจากผ้าที่ผ่นข้อมือ รอยกลุ่นมากำซ่าไปตลอดทั้งคานปัสสาวจะรุงลึกเข้าไปอบอวนอยู่ในหัวใจมีกลิ่นไอตัวของเจ้าของปนอยู่ด้วยประหนึ่งน้ำค้างที่เกาะอยู่บนกิ่งใบพฤกษาครันยามดึกก็เนืองนองมากมายปานจะรองดื่มให้ฉ่ำซวงได้แต่พอรุ่งแจ้งแสงปัจจุบันสมัยส่องน้ำค้างก็ย่อมจะระลายเหือดหายไป น้ำใจนางก็เปรียบได้ฉะนั้นกระแ ส, สเสียงแห่งลำนำเพลงที่แง่สายเคยขับดูเหมือนจะแวววิเวกอยู่ในโซดปราสาทตของรพินสะท้อนสะท้านไปตลอดทั้งหัวใจเช้าตรูรุ่งขึ้นอาการของเชษฐาดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยหลังอาหารคณะติดตามไปแห่งทั้งหมดก็พร้อมที่จะออกเดินทางได้ทุกคนได้รับคำสั่งจากหัวหน้าคณะให้เข้าไปพบนกระโจม ผมกับน้อยและทุกคนที่นี่จะรอฟังข่าวดีจากพวกคุณเชษฐาเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวาลแจ่มใสเป็นหน้ายิ้มระไมเสียดายอย่างสุดซึ้งที่ไม่อาจไปร่วมศึกในคราวนี้ได้แต่ก็ขอฝากวิญญาณของนักล่าไปพร้อมด้วยไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ผมรู้สึกตัวเองว่าจะหายเป็นปกติโดยเร็วที่สุดสเสบียงหมดเมื่อไหร่กลับมาเอาดาดีนยืนอยู่เบื้องหลังของพี่ชายมองข้ามศรีรษะเชษฐาไปสบตารพิน สั่งสั่นหน้าแล้วรอบยกนิ้วขึ้นสมนิ้วเป็นความนายย้ำสั่งให้เขาทราบว่าอนุญาตให้ไปได้เพียงแค่สามวันเท่านั้นไม่มีใครเห็นอาการบุ้ยไบของรอนนอกจากคนที่รอนเจตนาจะให้เห็นคนเจ็บมองกล่าดไปยังทุกคนในคณะที่จะออกเดินทางด้วยอาการยิ้มแช่มชื่นเช่นนั้นชายยานแกไปแทนตัวฉันและเป็นหัวหน้าแต่จงเชื่อฟังคาแนะนาของรพินส่วนแง่าย เขาหันไปทางคนใช้ชาวโดงที่อยู่สะพายปืนตงงานอยู่ราวกับนักรบโบราณฉันรู้ดีว่าแกจะเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือรพินได้ดีที่สุดถ้าแกเจตนาที่จะทำอย่าเอาแต่รอคอยคำสั่งประการเดียวเหมือนอย่างที่แล้วมาแงซ า, ายไม่ตอบคำใดนอกจากยิ้มเหมือนแยกเคี้ยวตามนิสัยทำใจให้สบายเถอะเชษฐาเราหกคนจะเอาไอ้แหวงให้อยู่มือให้ได้ หวังว่าน้อยคงจะดูแลแกได้เป็นอย่างดีระหว่างที่ฉันไม่อยู่สั่งเสียสนทนากันอยู่เพียงอีกครู่เดียวพอตะวันขึ้นทั้ง6คนภายใต้การนำของรอพินก็พ่าออกจากบริเวณแคมป์ดารีนกับบุญคำเดินตามออกมาส่งจนถึงปากด่านแล้วชวนกันกลับปางพักเมื่อคนทั้งหตัดลงเนินหายรับไปในหมู่โขดหินและแมกไม้ที่นี่เห็นจะต้องกลายเป็นบ้านของเราในระยะเวลายาวนานเสียแล้วละ่ะ ในจ้างสาวเอ่ยขึ้นขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆบริเวณค่ายพักเมื่อเดินกลับมาถึงเพราะฉะนั้นเราควรจะอยู่กันให้สบายกว่านี้หรือบุญคำว่ายัางไงบุญคำหมุรอแห่แหไม่เข้าใจความหมายในคำพูดของรอนได้แต่ทำหน้าตื่นและเดินตามหญิงสาวไปทุกระยะขณะที่รอนออกสำรวจดูภูมิประเทศโดยรอบอย่างถี่ถ้วนพวกเราทุกคนว่างกันไม่ใช่หรือตอนนี้รอนหันมาถามอีกยิ้มยิ้มว่างครับ ดีแล้วบุญคำกับนายเมย์อสองคนเกณฑ์พวกลูกหาไปตัดไม้มาปลูกร้านยกพื้นขึ้นเอาไว้เป็นที่พักอย่านอนกับพื้นเหมือนเช่นที่แล้วแล้วมาเลยเราต้องอยู่ที่นี่กันอีกหลายวันไม่งั้นฝนตกจะลําบากแล้วก็หากิ่งไม้แห้งหรือพวกหนามาสมไว้ตามช่องทางที่สัตว์ร้ายมันจะย่องเข้ามาถึงเราได้ทําเป็นประตูไว้อะไรที่มันจะช่วยให้พวกเราทุกคนมีความสะดวกสบายขึ้นได้ก็ช่วยหาเข้าที่นี่เป็นแคมป์ถาวรของเราแล้ว ดารินออกคำสั่งบุญคำก็เพิ่มเข้าใจในบัตรนั้นยิ้มร่าออกมาโอ้จริงสิครับนายหญิงรอบคอบเหลือเกินผมจะไปเกณฑ์พวกนั้นทําตามที่นายหญิงสั่งเดี๋ยวนี้แหละพ่านพื้นเมืองสูงอายุพระจากหล่อนไปตะโกนสั่งการอะไรโวกเวกอยู่ครู่พวกลุกหาบทั้งก้าคนมายืนมุงร้อมรับคำสั่งต่อจากนั้นก็แยกย้ายกันไปเป็นหมู่ๆไม่นานนักก็ช่วยกันขนไม้เข้ามา คันแล้วการปลูกสร้างก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยทันทีนั้นดารินคอยบงการควบคุมอยู่อย่างใกล้ชิดทุกคนช่วยกันทํางานอย่างแข็งขันตามคําสั่งของร่อนซึ่งต่างก็ให้ความนับถือและยําเกรงไม่ผิดอะไรกับเชิฐถาหรือชายยันเพราะเคยเห็นฝีมือและน้ําใจอันกว้างขวางไม่ผิดอะไรกับบุรุษอกสามศอกของร่อนมาเป็นอันดีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกคนย่อมตระหนักซึมทราบแก่ใจเป็นอันดีว่านายหญิงไม่เคยถือตัว อบอ้อมอารีและสนิทสนมใกล้ชิดพวกเขาเสียยิ่งกว่านายผู้ชายเสียอีกร่อนเป็นที่รักและเลื่อมใสของพวกลูกหาบทั่วหน้าพอตกบ่ายบริเวณแคมป์ก็มีสภาพเป็นค่ายพักถาวรที่น่าอยู่และดูอบอุ่นขึ้นอีกมากร้านขนาดกว้างใหญ่2ร้านถูกปลูกขึ้นอย่างแข็งแรงมีระดับสูงจากพื้นเทียมเอวห่างกันประมาณ20เมตรขนาบอยู่ในระหว่างเต็นท์ที่ปลูกอยู่ตรงกลาง ผ้าใบขนาดใหญ่สองผืนถูกนำมาขึงแทนหลังคา ก, กันแดดฝนได้เป็นอย่างดียิ่งกว่านั้นสัปปรพสิ่งที่จะให้ความเป็นอยู่สะดวกสบายต่างๆก็ได้รับการปลูกสร้างขึ้นเท่าที่ความคิดและฝีมือของพวกลูกหาบจะกระทำได้มันรวมไปถึงการจัดเตรียมป้องกันภัยจากสัตว์ร้ายที่จะเยี่ยมกลายเข้ามาจากทิศทางต่างๆรอบด้านซุ้มไม้หลายซุ้มถูกถากถางให้โล่งเตียนออกไป ปากด่านบางแห่งถูกสะไว้ด้วยกิ่งไม้แห้งด้านน้ำตลอดทั้งบริเวณได้รับการตกแต่งปัดกวาดโล่งเตียนจนแลดูเป็นที่อยู่อาศัยอันอบอุ่นบรรยากาศไม่น่ากลัวเหมือนแต่เดิมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสรบพเรียบร้อยตามเจตนาของหล่อนโรงในเวลาอันรวดเร็วหญิงสาวยืนกอด อ, อกเอียงคอมองดูบ้านไพรของหล่อนแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจในายทหารกับพรานใหญ่กลับมาเห็นข้าว คงแทบจําไม่ได้ทีเดียวแหละครับบุญขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อมองดูฝีมือการสร้างสารรค์ของพวกตนเองพวกลูกหาบทุกคนก็เต็มไปด้วยความพออกพอใจในการริเริ่มของนายหญิงเกี่ยวกับการพัฒนาค่ายพักอาศัยดารินยิ้มสดชื่นในตาเป็นประกายอย่างน้อยที่สุดนายของบุญขาก็คงจะพบกับความประหลาดใจและเห็นว่าพวกเราที่อยู่ข้างหลังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ที่สุด เราไม่ได้อยู่กันเฉยๆแต่เราสร้างอาณาจักรน้อยๆของเราขึ้นแล้วเมื่อเขากลับมาก็าจะได้รู้สึกว่าได้กลับมาถึงบ้านไม่ใช่เพียงแค่กลับมาถึงป่าอันเป็นที่พักอาศัายพักช่นชักรักที่นี้เสียแล้วอยากจะอยู่ให้นานที่สุดถ้าไม่มีห่วงเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดบุญคำมองดูหญิงสาวได้แววชื่นชมเราจะอยู่ที่นี่กันไปนานสักเท่าไหร่ครับจนกว่าเราจะล้มไอแหวงได้สาเร็จ หรือจนกว่าในายใหญ่จะหายยังได้อย่างหนึ่งสุดแล้วแต่อย่างไหนมาถึงก่อนสักกี่วันครับในายใหญ่ถึงจะหายเป็นปกติอาจจะในราวเดือนหนึ่งพรานอาวุโสนิ่งคิดอะไรอยู่ครู่ก็ถอนใจเบาๆเหลือบตามองดูรอนอาการมีกังวลแฝงอยู่ผมทายไม่ถูกว่าระหว่างเวลาที่ในายใหญ่รักษาตัวอยู่ประมาณเดือนหนึ่งนี้กับการล้มไอแหว่ง อะไรจะมาถึงก่อนดีไม่ดีในายใหญ่อาจหายก่อนที่เราจะได้ตัวไอ้แหว่งก็ได้ทำไมหรือบุญคํานี่แปลว่าบุญคําก็ยังไม่แน่ใจในฝีมือของพรานใหญ่หรอกหรือฉันคิดว่าเขาควรจะได้ตัวมันภายในไม่เกินอาทิตย์นี้เสียด้วยซ้ําบุญคําถอนใจอีกครั้งมวนบุรีสูบผมแน่ใจในฝีมือของพรานใหญ่ครับนายหญิงแน่ใจเท่าๆกับการแน่ใจว่าเวลาช้าพระอาทิตย์จะต้องขึ้น แต่ไม่แน่ใจในไอ้แหว่งมันเป็นช้างแสนรู้เจ้าเล่ห์แสนกลนยิ่งกว่าเสือสมิงถ้ามันคิดสู้มันต้องตายแน่แต่ผมกลัวว่าพอมันรู้ว่าพรานใหญ่ตามมันมันจะบ่ายหน้าหนีโดยไม่ยอมประจันหน้าด้วยคราวนี้ก็ตามกันเป็นแรมเดือนแรมปีสัตว์ร้ายผีสิงทุกตัวรักษาตัวมันอย่างดีที่สุดที่จะไม่พยามเผชิญหน้ากับพรานระพินมันดูเหมือนจะจํากลิ่นเขาได้ทีเดียวแหละถึงไม่รู้โดยกลิ่น ก็รู้โดยวิญญาณของผีตายโหงที่สิงคอยบอกเตือนมันอยู่ใบหน้าของหญิงสาวเคร่งขรึมลงเม้มริมฝีปากน้อยๆถ้าเป็นอย่างบุญคำว่านี่แล้วก็เราเห็นจะเสียเวลากันแย่ทีเดียวความจริงเราควรจะถึงหลมช้างและเริ่มต้นการเดินทางจริงจังกันเป็นนานแล้วมาติดขัดเรื่องไอแหวงนี่แหละถ้ามันยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีกาหนดแบบนี้อะไรต่ออะไรคงจะต้องเปลี่ยนแปลงไปหมด แต่ฉันมีความเชื่อมั่นอะไรอยู่อย่างหนึ่งนายหญิงเชื่ออะไรหรือครับไอ้แหวงประกอบกรรมทำเข็นมามากเต็มทีแล้วควรจะถึงวาระสุดท้ายของมันเสียทีไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ลงได้ประกอบกรรมชั่วมากๆฟ้าดินก็ควรจะลงโทษบุญคาพยักหน้าเห็นด้วยกับคำพูดของรอนนายหญิงพูดถูกครับไอ้แหวงเป็นช้างก็จริงแต่จิตใจของมันเป็นผู้ร้ายสาคัญ เป็นผีนรกมาเกิดในร่างของช้างมันควรจะถึงเวลาตายได้แล้วถ้าเทวดาศักดิ์สิทธิ์และไม่เข้าข้างความชั่วถ้าพวกเจ้านายทุกคนไม่ห่วงว่าจะไปถึงหล่มช้างเมื่อไหร่แล้วก็พรานใหญ่คงจะตามมันจนถึงที่สุดไม่ว่ามันจะหนีไปถึงไหนพวกเราไม่ห่วงในเรื่องที่จะไปถึงหล่มช้างไม่ได้อีกแล้วรอนตอบน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคงเพราะถึงอย่างไรมันก็เสียเวลามาแล้วตั้งแต่ต้น เราตกลงกันไว้แล้วว่าถ้าล้มไอแหว่งยังไม่ได้เราก็จะไม่เริ่มการเดินทางที่เราตั้งใจไว้และถ้าจำเป็นจริงๆเราอาจย้อนกลับไปหนองน้ําแห้งเพื่อเตรียมสัมภาระเริ่มต้นการเดินทางกันใหม่ก็ได้ในกรณีที่ต้องเสียเวลาเนิ่นนานออกไปจนสิ่งของที่เราเตรียมมาร่อยหลอหมดไปแล้วหญิงสาก็บอกบุญคำให้เรียกรุกหาบทุกคนเข้ามาประชุมสั่งว่าห้ามม่ให้ทุกคนออกจากบริเวณแคมป์เกินกว่าลักมี300อหลา ยกเว้นในกรณีจำเป็นซึ่งจะต้องรายงานให้หลอนทราบและได้รับอนุญาตเสียก่อนทุกครั้งกำหนดหน้าที่บุญคาให้คอยดูแลและรับใช้อยู่ใกล้เต็นโดยทาหน้าที่แทนแงซา ย, ส, ายส่วนบริเวณรอบนอกให้เป็นหน้าที่ของนายเมยหัวหน้าลูกค้าประมาณบ่ายสามโมงพยับฝนมืดมิดมาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ฟ้าแลบอยู่แปรปรา่าพร้อมกับคารนใกล้เข้ามาทุกขณะ พายุกันโชคเย็นเฉียบมาเป็นระยะต่อจากนั้นอีเพียงครึ่งชั่วโมงฝนก็กระนำลงมาอย่างหนักดาลินสวมเสื้อกันฝนออกจากกระโจมมาบงการให้พวกลูกหาบขนสัมภาระข้าวของหลบฝนขึ้นไปไว้บนร้านมุงหลังคาที่ปลูกสร้างไว้บางส่วนก็ให้ลาเบียงเข้ามาไว้ในกระโจมพักโชคดีเหลือเกินที่เราในพวกนั้นปลูกร้านขึ้นพอให้ทุกคนได้อาศัยเป็นที่พักหลบฝนหาไม่เช่นนั้นคงเปียกปอนกันหมด บุญคำตามหลอนเข้ามาในกระโจมภายหลังจากหญิงสาวสั่งการเรียบร้อยเชิดฐาครึ่งนั่งครึ่งนอนอยู่บนเตียงสนามทอดสายตาจับมายัางน้องสาวคนสวยอย่างชื่นชมแม้เขาจะเจ็บป่วยอยู่กับที่เช่นนี้ก็ไม่มีอะไรน่าวิตกกังวลเลยดารินวราลิศปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นนายใหญ่ของแคมป์ควบคุมคนได้อย่างเข้มแข็งและมีสมรรถภาพยิ่งแทนตัวเขาได้โดยไม่มีอะไรต้องห่วงแม้แต่น้อย ฝนเทลงมาใหญ่แล้วพินกับชายยันแล้วก็พวกนั้นไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างหัวหน้าคณะป่ารบขึ้นอย่างไม่สบายใจน้องสาวถอดเสื้อฝนออกสลัดน้ำจากเส้นผมแล้วเดินมานั่งข้างๆจุดไฟให้แก่กล้องยาเส้นของพี่ชายที่ถือค้างอยู่บุญคำก็หย่อนตัวลงบนกองสัมภระใกล้ๆเจอฝนแน่ครับมันมาทางใต้ที่พานใหญ่บ่ายหน้าไปเสียด้วยพานพืนเมืองบอกเสร็จแล้ว ฝนจะเป็นอุปสรรคในการตามรอยป่านนี้ฉลอยหายหมดแล้วเชือดถาบนลัดกล้องยาเส้นหนักหน่วงดาลินครีผ้าแบ่งเกรดคุมไว้รอบตัวพี่ชายป้องกันไอชื้นจากละอองฝนที่ปลิวเข้ามาพี่ใหญ่ย่ามัวคิดกังวลอะไรอยู่กับพวกนั้นเลยค่ะถึงอย่างไรพวกนั้นก็มือชั้นเสียนทั้งนั้นฝนตกระหว่างการแกะรอยก็ดีอย่างเสียอย่างบุญคําว่า รอยเก่าถูกฝนสาหายไปแต่รอยใหม่จะยิ่งปรากฏชัดเจนขึ้นถ้ามันไม่ร่วงหน้าไปไกลนักอะไรก็ช่างเถอะอย่าไปเจอเอาน้ำป่าเข้าอีกก็แล้วกันดารินเปยขึ้นเพราะยังจำเหตุการณ์ครั้งหนึ่งได้ปุนคำหูร้อสันศีษะน้ำป่าจะน่ากลัวก็ต่อเมื่ออยู่ใกล้เส้นทางของมันเท่านั้นบริเวณที่ผ่านใหญ่มุ่งไปไม่มีเส้นทางน้าเลยฝนคราวนี้ก็ไม่แรงอะไรนัก ตกธรรมดาเท่านั้นเองประเดี๋ยวก็หายฝนไล่ช้างมาเร็วไปเร็วว่าแต่คืนนี้เราจะมีฟืนแห้งพอที่จะสุมไฟได้หรือเปล่าหญิงสาวถามพอมีครับนายหญิงก่อนมันจะเทลงมาผมให้พวกนั้นขนเข้ามาไว้ใต้ร้านเอาผ้าพลาสติกคุมไว้ไม่เปียกฝนพอจะใช้ได้ตลอดคืนนี้เป็นฟืนไหมหนักทั้งนั้นบนนี้เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็เป็นยอดเนินน้าไม่ขังก่อไฟได้ง่าย สำคัญอย่าให้มันตกตลอดคืนก็แล้วกันดาดินสั่งให้บุญคำรื้อรังใบหนึ่งนําเอาเตาน้ํามันก๊าและเตาฟู้ออกมาสําหรับเตรียมหุงหาในเวลาเย็นหากเหตุการณ์จําเป็นเกิดขึ้นโดยไม่สามารถจะอาศัยไฟป่าตามธรรมชาติได้หีบสเสบียงอันเป็นอาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่เตรียมมาอย่างเหลือเฟืออีกใบหนึ่งก็ได้รับคําสั่งให้เปิดขึ้นโชคดีหรือเกินน้อยเข้าของมากมายที่น้อยเตรียมมาอย่างเหลือเฟือเหล่านี้ เรามีโอกาสใช้มันได้อย่างเต็มที่เพราะเหตุการณ์ที่ต้องลบกับไอแหว่งนี่เองไม่งั้นก็คงจะเหลือทิ้งเปล่าใช้ไม่หมดหรอกเชือดขาบอกมาพร้อมกับหัวเราเบาๆน้อยถือหลักปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังค่ะน้องสาบอกยิ้มยิ้มมันไม่หนักหนาไรนักลูกหาพานะของเราก็มีพร้อมของเหลือดีกว่าขาดทําอะไรไม่ประมาทไว้เป็นได้เป็นดีคราวนี้พี่ใหญ่เห็นหรือยังคะว่า ไม่ว่าคณะไหนหรือกิจการอันใดถ้ามีผู้หญิงเข้าร่วมอยู่ด้วยมันจะดีกว่าจะมีผู้ชายรุนร้วนเพราะผู้หญิงรอบข้อเห็นการไกลกว่าผู้ผู้ชายจริงของน้อยพี่ขอยอมแพ้เชื่อถายอมจำนวนโดยดีดาลินหัวเราะเสียงใสบ่ายวันนี้อารมณ์ของหล่อนผ่องใสขึ้นเพราะอาการของพี่ชายดีขึ้นมากคิดถึงเรื่องนี้แล้วน้อยยังอดฉีวตะพรนของเราไม่หายหล่อนกล่าวต่อไปปนหัวเราะ วันที่เขาเห็นน้อยเตรียมของทำหน้ายักษ์หน้ามารเขาใส่ราวกับจะเห็นว่าน้อยเป็นตัวถ่วงตัวเกะ ก, กะรุงรังอะไรก็ไม่ปานทะเลาะกันแทบล้มประดาตายทีนี้ละคงจะได้เห็นคุณเสียทีเท่าแล้วเท่ารอดก็ไม่รู้จักญาติดีกับพระพินเสียทีหรือน้อยพี่เห็นเธอคอมเมนเข้ามาตั้งแต่วินาทีแรกที่พบกันทีเดียวพี่ชายถามมาด้วยน้ำเสียงเรื่อยๆไม่สนใจอะไรนะัก น้องสาวางหน้าเฉยแต่ตาเป็นประกายสุกสกาวเห็นจะลำบากค่ะสำหรับผ่านนำทางของพี่ใหญ่คนนี้สอนศิลไม่กินกันเลยมีอะไรขวางๆลูกนี่ตาอยู่ตลอดเวลาเบ่งเบ่งเตะท่ายังไงพี่กนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับน้อยถ้าไม่จำเป็นเกี่ยวกับเรื่องนำทางข้างหน้าแล้วน้อยบอกให้พี่ใหญ่ไล่ออกไปนานแล้วทำไมเขาสแสดงอะไรไม่สุภาพแต่น้อยงั้นหรือ ดาลินเดินออกไปแวกม่านประตูของกระโจมมองดูสายฝนเบื้องนอกก็ไม่เชิงค่ะถ้าจะพิจารณาการในด้านความเป็นสุภาพบุรุษหรือการปฏิบัติตนรับใช้ตามพันธสัญญาจ้างก็ไม่มีอะไรบกพร่องหรอกดีเกินค่าเสียด้วยซ้ำแล้วอะไรที่น้อยบอกว่าขวางลูกในตาพี่ชายจ้องมาด้วยสายตาค้นหาน้องสาวนิ่งเงียบไปนานแล้วก็ทาเสียงขุนๆมาให้พี่ชายได้ยินว่า ก็ไอ้ธาตเตะเบ่งเอย่างที่บอกแล้วยังไงคะอธิบายไม่ถูกหรอกยศโศถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับโอหังกระด้างแม้ว่าจะไม่ถึงกับหยาบคายสุภาพแต่ขาดการอ่อนน้อมถ้าเป็นได้อย่างแง่ายก็จะดีไม่น้อยทีเดียวเชื้าอัดขวันกล้องลึกแล้วระบายช้าๆออกทางช่องจมูกจ้องน้องสาวทางเบื้องหลังนิ่งอยู่นานด้วยใบกายกังวลลึกซึ้งอีกฝ่ายคงไม่มีโอกาสทราบได้ว่า คำพูดใดๆของตนก็ตามเป็นกระจกเงาสะท้อนส่องให้พี่ชายมองเห็นเข้าไปในหน้าต่างหัวใจของตัวหมดสิน้นแทนที่จะเป็นสิ่งอำพรางกลบเกลื่อนน้อยคะพี่อยากจะเตือนอะไรน้อยสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพรานของเราอดีตทูตทหารบกเชื้อพระวงศ์เอ่ยมาแผ่วต่ำอย่างระมัดระวังทำไมหรือคะจงดูแต่เพียงว่า เขาปฏิบัติหน้าที่ตามพันธสัญญาจ้างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เท่านั้นนอกเหนือไปจากนั้นเขาจะเป็นอย่างไรก็ช่างไม่ต้องไปกังวลอยู่มันไม่ใช่เรื่องสําคัญถึงกับต้องมาคิดให้เปลืองใจหรอกดาเินตะลึงงานไปกับคำพูดเรียบๆของพี่ชายเลือดแล่นขึ้นจับผิวแก้มพผ่าวด้วยความกระดากอายหัวใจของตนเองนี่รอนพลังเผย อ, อะไรออกไปเสียแล้วกังจนทําให้พี่ชายผู้ฉล า, าดรอบคอบกล่าวเตือนมาด้วยความหมายเป็นในเชิงรู้ทันเช่นนี้